หสมถะปุพพังคมาวิปัสนาวิปัสนามีสมถะนำหน้าเรียกเต็มว่าสมถะปุพพังคมาวิปัสนาภาวนาการเจริญวิปัสนาโดยมีสมถะนำหน้า 2. วิปัสนาปุพพังคมาสมถะ สมัตมีวิปัสสนานำหน้าเรียกเต็มว่าวิปัสนาปุพังขมะสมัตภาวนาการเจริญสมัตโดยมีวิปัสสนานำหน้า 3. ยุคณธรรมสมัตวิปัสนาสมัตและวิปัสนาเข้าคู่กันเรียกเต็มว่า สมถะวิปัสนายุคณนทะภาวนาการเจริญสมถะและวิปัสนาควบคู่ไปด้วยกัน 4. ธามุทัจจาวิหาอิตามานัตวิธีปฏิบัติเมื่อจิตถูกชักให้เขวด้วยธามุทัตคือความฟุ้งซ่านธรรมะหรือตื่นธรรมะคือความเข้าใจผิด ยึดเอาผลที่ประสบในระหว่างว่าเป็นมรรคผลนิพพานธรรมุทัมมตมาจากธรรมุทัมมตจาอัรถกะถาเรียกว่าวิปัสนูปกิเลสคำว่าวิคหิตะได้แปลว่าชักให้เขวหรือเขวตามแนววิสุทธิเดีกา วิธีทั้งสี่นี้สรุปจากมักคสี่แบบซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติสี่อย่างดังที่พระอานุ์ได้แสดงไว้ดังนี้อาวุโสทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีรูปหนึ่งรูปใดก็ตามจะพยากรณ์รหัตผลในสำนักของข้าพเจ้าก็ย่อมพยากรณ์ด้วยมักคสี่ทั้งหมดหรือด้วยมักใดมักหนึ่งบรรดามักสี่เหล่านี้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 เมื่อเธอเสพคุนเจริญทำให้มาซึ่งมรคนั้นสังโยชน์ทั้งหลายยอมถูกละได้อนุใสยทั้งหลายยอมสิ้นไป 3. อีกประการหนึ่งภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันเมื่อเธอเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันอยู่มรเกิดขึ้น เธอเสพคุนเจริญทำให้มากซึ่งมากนั้นเมื่อเธอเสพคุนเจริญทำให้มากซึ่งมากนั้นสังโยชน์ทั้งหลายย่อมถูกละได้อนุใสทั้งหลายย่อมสิ้นไป4อีกประการหนึ่งภิกษุถูกชักให้เควไปด้วยธรรมุทัตแต่ครั้นถึงราวเหมาะที่จิตนั้นตั้งแนว สงบสนิทลงได้ในภายในเด่นชัดเป็นสมาธิมรักก็เกิดขึ้นกับเธอเธอเสพคุณเจริญทำให้มากซึ่งมรักนั้นเมื่อเธอเสพคุณเจริญทำให้มากซึ่งมรักนั้นสังโยชน์ทั้งหลายยอมถูกละได้อนุสัยทั้งหลายยอมสิ้นไป